ตอนนี้ไปจะแสดงเรื่องเรื่องกายของเก่าเหมือนกันแต่หากพิจดดารณาลงไปอีกก็กายคือตัวคนเรานี่น่ะเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งหลายรวมอยู่ในแห่งเดียวนี่หมดเบื้องต้นก็คือรูปธรรมนามธรรมาก็เรียกว่าธรรมอยู่แล้วจะอธิบายในเบื้องต้น ที่เรียกว่าธาตุสี่ก็คือตัวของเรานี่แหละไม่ได้เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องจิตเป็นธาตุล้วนๆเป็นของเดิมแท้ๆทีเดียวธาตุสี่ต่อมามาแสดงทังเรื่องขันหักเอาจิตเข้าไปผสมเข้าอีกในการสดุปไม่เห็นทิงหลักอีกคือรูปกับนามต่อมาก็มาแสดงถึงเรื่อง อายุนะคือรูปกํำน้ำอีกอาจจะได้อาจแสดงถึงเรื่องอายุน ะ, าะภายนอกภายในอย่างละหกเป็นชิดสองอันนี้ต่อมาก็แสดงถึงเรื่องธาตุชิดแปดอายุนะภายนอกภายในอย่างละหก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 ให้เกิดเป็นสัจธรรมคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ไม่ใช่อื่นสายก็ได้ิดลูกกับนามนี้เพราะลูกกับนามนี่แหละกระทบกันเข้าจึงเป็นเหตุให้สืบสิเลชเช่นตายเห็นลูปเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณแล้วพอเกิดความรู้สึกขึ้นก็เกิดเวทนา คือสุขบางทุกข์บ้างเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทน า, นาอยู่ที่เฉยเรียกว่าอุเบกขาเวทนาทั้งหมดนี้แหละถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูแล้วนะถ้าจับต้นต่อหัข้อบางตนไดอธิบายต็มไปด้วยธาตมาขันายตสนะอินทรียธาตุเวทนาเทาที่อธิบายมานี้ ยังไ่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสเ้ยคันเรื่องนี้ยังไม่มามีกิเลสเลยสมมุติว่าเราไปเห็นตัวของคนเราเพียงแต่สักว่าธาตุกิเลสไม่จะเกิดขึ้นตรงไหนนะคันลองคิดดูสิยังไม่มีกิเลสขันนี้เราพูดถึงเรื่องขันคือรูปรูปอย่างที่อย่่างทีว่าคือธาตุสก็ยังไม่มีกิเลสเมื่อเราไม่เห็นตัวของคนเราแต่ละคนละคนหรือเห็นตัวของเราเนี่ยแหละเป็นเพียงสักว่าธาตุสี กิเลสยังไม่ทันมีเวทนาสัญญาทั้งข า, านิยานเวทนานคือความสุขทุกข์ไม่ได้จัดเป็นกิเลสยังไม่ทํามีตัวกิเลสขึ้นมาทุกข์ก็สักจะวัตสุขกก็สักจะวัตุโอุเบขานก็สักจะโอเบขานสัญญานคือความจำมันก็ไม่มีไม่ใช่กิเลสจําสิ่งต่างๆได้มันก็สักจะวัตจำทั้งขาขนคือความปรุงคมแต่ง ก็เรื่องหน้าที่ของปรุงมันแต่งมันก็ไม่ใช่กิเลสอีกเป็นชื่อของจิตที่มันปรุงมันแต่งไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสวิญญาณคือความรู้สึกก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอกิเลสเหมือนกันพูดถึงเรื่องอินทรีย์คือว่าตากระทบกับรูปรูปก็ทักจะว่ารูปตาก็ทักจะว่าตา มันสำหรับที่กระทบกันเท่านั้นเกิดความรู้สึกขึ้นกับชักจะบ่รู้สึกแล้วก็เลี้ยวไปอันนี้ก่อนยังไม่ได้จัดเป็นตัวกิเลสท่า น, นี้พอเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วมันเกิดเวทนาแล้วกันมีสุขมีทุกข์บ้างมีเฉยๆบ้างก่อนยังไม่ได้จัดเป็นกิเลสโดยเฉพาะลองคิดดูสิคะ เรื่องที่อธิบายบรรยายไปทั้งหมดแยกแยกออกเป็นสัดเป็นส่วนให้รู้หน้าที่ของแต่ละอาะตนะหรือแต่ละเรื่องของมันยังไม่ได้จัดเขางบกิเลสทั้งหมดเรื่องที่อธิบายมันียัยไม่ได้จัดเขงบกิเลสตรงที่มันจะเกิดกิเลสนะมันเกิดเวทนานี่นะตรงที่ว่าจะกินคึกามสุข ควดีความทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีถ้าสุขแล้วเกิดความพอใจความชอบอกชอบใจแล้วก็อยากได้เรียกว่าตันหาคือควาทะเยอทะยากอยากได้ึเรียกว่าตันหานั่นแหละตันหาตัวใตัวกิเลส ภาษาที่เราพูดกันกลับหว่วงง่ายๆพูดกันง่ายๆตามภาษาสามัญ ท, ทั่วๆไปจะเรียกว่าตันหาคือว่าพูดกันภาษาง่ายๆกันนะคือมันหาได้เป็นพัดตันคือมันมีทางไปตันก็เลยหาคือมนปิดได้วกว่อนเนี๋ยวเคยงมหมายความว่าเราปิดแล้วกว็งมคือเราปิดประตูบ้านเรือนมันมืดกันไม่มีทางออกแล้วกว็งม อันนั้นเรียกว่าตันแล้วก็หาอีกจีหนึ่งเรียกจเรียกว่าหาแล้วก็ตันปรับคําก็ได้หาไปเธอมีจะปิดเรียกว่าหาตันไม่มีทางออกปิดหมดทุกด้านทุกทางหาไปเธอะจะหาแล้วก็หาไปเธออย่างที่เราหากันอยู่ในโลกนี้ใครๆก็หาไปเถอดหาแล้วก็ปิดตนเองเท่งนั้นออกไม่ได้สักคนเดียว พระพุทธองค์ทันพิจารณาเห็นอย่างนี้ม่าการอยู่ในโลกเรื่องสันหากรรมหากันทั้งนั้นพระพุทธองค์ยัง ย, งยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสละแล้วแล้วเปิด ท, ทางไม่หาไม่ตันอะไมัเปิ ด, ท, ท, าปด ท, ทางออกได้เห็นนั้นกิเลสมันเกิดตรงนี้เกิดที่ตรงตันหาออกจากไอเกิดจากเวทนานี้เพราะเวทนาสุกมันก็ชอบใจ แล้วก็อยากได้สุขนั้นจะต่อไปทุกข์ไม่พอใจก็เลยไม่อยากเลียวแหล่ในเะมื่อทุกข์นั้นเกิดโมนัสตัดแก่เฉยๆก็โง่ตึมไม่มีความคิดนึกรู้สึกแบบโง่ตึมนี่กิเลสมันเกิดตรงนี้ตอนนี้ไปพูดถึงเรื่องกิเลสได้ยุบแยะตั้นหาแล้วก็เกิดอุปทาน ความยึดมันมนดม่นถือมั่นยึดมั่นทือมั่นอะไรก็มืดตือะะ้อทันยึดในสิ่งในก็มืดในสิ่งนั้นท่านยังพูดอธิบายทั้งต่อไปทั้งเรื่องัวมไม่รู้คือตัววิชาไปนู้นมันยืดยาวเป็นสิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นเรียกวิชารู้เมือนกันแตวไม่ใช่รู้ของจริง อย่างเราสามัญรู้กันทั่วๆไปเงี้ยรู้สุขรู้ทุกข์เหมือนกันรู้ดีรู้ชั่วเหมือนกันรู้อยาดรวยเกียรู้สว่างรู้มืดรู้เหมือนกันรู้หิวกระหายอย่างนอนอย่างนี้มีเหมือนกันรู้เหมือนกันรู้แบบนี้นั่นรู้อยู่ในวงของความปิดปกปิดเข้าหลักที่ว่าหาตันเดอหัตันหา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 รู้แล้วไม่ได้ปิดมันเลยสว่างเห็นแจ้งตามเป็นจริงเมื่อเห็นแจ้งตามเป็นจริงสิ่งนั้นมันก็หมดหมดสงสัยอย่างเราเห็นจริงใดก็ตามเถ้าเห็นจริงเห็นแจ้งใดเป็นจริงอะหมดสงสัยในเรื่องนั้นไม่อยากดูอีกถ้าเห็นยังไม่ทันแจ้งนะไม่ทันจริงเห็นพอโม่ แล้วก็อยากดูแล้วไม่รู้แล้วรู้หลอกจนสัทีแต่เห็นอะไรก็ตามเถอะถ้าเห็นยังไม่ทันรู้ยังไม่ทันหายสงสัยนั่นแหละเรียกว่ายังไม่ทันรู้แจ้งเห็นจริงพูดกันห ย, ยาบๆคลายเงี้ยเอาสมมติว่าคนเห็นกันอะเห็นคนสวยๆละ่ะผู้หญิงเห็นผู้ชายผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยละ่ะก็รู้จักว่าเ้าสวยเหมือนกันถ้ารู้จักก็ผู้หญิงเหมือนกันถ้ารู้จักผู้ชายเหมือนกัน ก็อยากดูไม่รู้จักศึกจากิจอันนี้ไม่ได้ชื่อว่ารู้แจ้งห็จิตเรียกว่ารู้มัวรู้ฟังอยากรู้ไปอยากดูยึดเสมอดูไม่รู้จักอิ่มรู้ไม่ดูไม่รู้จักพอรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้แต่จาพวกอวิชชาถ้ารู้ตามแบบผระพุทธเจ้าท่านสอน รู้แจ้งเห็นจริงรู้รู้ละรู้จริงเห็นคนเราละ่ะสวยผู้ชายเห็นผู้หญิงก็บ่าสวยผู้หญิงเห็นผู้ชายก็บอกนี่สวยจริงๆไม่ได้เห็นได้เพียงว่าสวยสะนะยังเท่งทิจนาถึงความเกิดความดับของคนคนนะั้นเห็นว่ามันเกิดมาจะต้องดับ มันเกิดมาจากอะไรดังอธิบายได้ในเบนนื้องต้นธาตุสี่ตัวของคนเราเพียงใจว่าธาตุสี่ทัมเวลาธาตุแล้วน่ะธาตุดินน่ะดินแดงดินดำดินขาวดินเหลืองมีมดที่มาเป็นคนมาประดิษฐ์เป็นคนคือธาตุไปรวมในคนน่ะจะต้องมีคนสวยคนไม่สวยคนดำคนขาว ขนเหลืองมีเหมือกน ก, กอนันกระกรอนขี้ดินเหมือนกับก้อนขดินก้อนนะั้นอยากทีบ้างมาแล้วพิศนาหเห็นอย่างนี้ลองคิดดูหายไม่จะหายตองใส่แล้ถ้าเห็นอย่างนี้จะหายไหมเห็นเป็นธาตุดินขึ้นน้ําไปลมเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมหายไม่จะหายต้องใสนะ่แล้วใช่เราคาดอย่างนี้คงจะไม่อยากดูอีก ทุกคนเชื่อแน่วคงไม่อยากดูต่อไปอีกทัดและสารีก้อนทีนก้อนหรือจะพิจารณาซึ่งเข้าไปนด้านอีกคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อหากินกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินอย่างเขาพูดกันทัก่วๆกันเป็นจริงอย่างว่าถ้าไม่กินก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็จะอยู่ไปกิน กินด้วยกินได้เป็นะไรถ้าโตกะหลงก็มาบำรุงก้อนดินเนี่ยพอดินก้อนเนี่ยไม่ใช่บำรุงให้เฉยเดยดินที่เขาโป้กันเข้าให้มันโตขึ้นโตขึ้นอะ่ะมันก็ไม่เหม็นเหมือนกับดินก้อนนี้เลยดินก้อนนี้พอโป้เขาเท่าไหร่ยิ่งเหม็น เ, เท่านั้นเองไม่ใช่มันหอมไม่ใช่มันปกติธรรมดาโป้เขามากยิ่งเหม็นมาก นี่ดิงก็นี้มันพิดมันพิษเขาพอรเอมมมอราไปเห็นความเหม็นความสกกระปรกเคื่อสุภกผ้าปฏิกูลอย่างที่ฟ า, าทับทิมตัวทนอยู่อยังโคเมกาอยู่กายของเรานี่แหละบุธทางปาทัตราเบื้องบนจะพุ่งเข้ามาอโทเกสตามสากพึ่งตามแต่ไปผมลงไปซาจาพระเดียนโตมีอย่างมีหนังหุ้มอยู่สิดที่สุดรอบพุโรนาลประกาศภาาสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจะไล่ไว้ที่การนี้ เจ้าลาโรมานาขาต่างต่างตะโจ่ไล่ก็ตัง้งที่แล้วว่าในเรื่องของวิถคุณสโสโครกเราดู ใ, น ใ, นในกล้ๆก็รู้กันทุกวันเราไม่ได้อาบน้ําชำระเนื้อชำระตัวสักวันหนึ่งเท่นั้นแะอย่าไปพูดแต่คนอื่นเลยตัวเราเองก็ยังรู้สึกว่าเหม็นสาดสีตาอยู่แล้วเนี่ยก้อนดินก้อนนี้มันแตกเพื่อน ถ้าหากเราไปพิจารณาเห็นก้อนดินก้อนนี้มาเป็นอย่างนี้ใช่แล้วใครจะอยากไปดูต่อไปดูชัดแล้วว่ามันเป็นของอย่างนั้นเลยเมื่อหมดเรื่องหายสงสัยนี่ควบรู้ของปุถุเจ้ารู้นี่รู้เห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดนั่นคิดจากความรู้ของโลกโลกที่พากันรู้จึงว่าการรู้อย่างนี้แหละ เป็นวิชาที่อธิบายจะแยกแจกจ่ายมาตั้งแต่ต้นมาก็เพื่ออยากจะให้รู้อย่างนี้เองให้เข้าถึงหลักวิชานี้เองแต่นี้จะอธิบายเรืงเรื่องวิชาเมื่อรู้ไม่เห็นตามไม่รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันไม่หมดสงสัยไม่หมดสงสัยก็เป็นเหตุยืดยาวละทัน ตามหลักเที่ตามหลักเที่ยวพระทีเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้นั่นว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชชานี้พูดถึงเรื่องจิตโดยเฉพาะสังขาราก็พูดถึงเรื่องจิตโดยเฉพาะอาวิชชาปัจจยาสังขาราเมื่อไม่รู้ตามเป็นจริงแล้ว ก็เป็นเห็นได้เกิดช้งขาช้างขารล้วปัญญายัญญาหนังเมื่อช้งขามีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดยินยาญาณยินญาณมีแล้วก็เกิดนามรูปจะเข้ามารับขันธ์หาของเก่านั่นแหละรูปกับนามของเก่าแล้วก็เกิดอายุชนะคืางหัวจะห ม, มุนกายอายุชะนะแล้วก็เกิดชัดสะแล้วก็เกิดเดชะดา การหาอุปทานไปยืดยาวนี่พูดถึงเรื่องเรื่องจิตวิชาเป็นเหตุใ้เกิดสังขารในเรื่องคาพีนางาพุทธศาสนาท่านว่าถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องวิชาตรงนี้คนเราที่จะมาเกิดท่านพูดถึงเรื่องจิต ปฏิสนธิจิตคณะหนึ่งซึ่งจะมาเกิดในครั้งแรกจิต ท, ที่มันก้าวจากนี้จะไปสู่ก้าวอื่นเหมือนกับก้าวของเราเนี่ยแหละอย่างว่าเรามีคลอง น, นึงเล็กๆ ก, กว้างประมาณสักจอกหนึ่งเล้วเหยียดอยู่ริมฝั่งทางนี้ริมคลองทางนี้แหละเราก้าวจะไปสู่ริมคลองเท่านั้นเรียกว่าสนธิคณะ จิตขณะนั้นเรียกว่าสนธิขณะคือมันไปต่อกันนะขณะจิตที่จะไปต่อกับฝั่งนะนั้นเรียกว่าสนธิขณะสนธิขณะนั้นเรามาพิจารณาดูเฉพาะในดวงเรานี้ก็แล้วกันอย่างว่าเวลานี้แหละเราทําความสงบเฉยอย่างนี้แหละมีจิตขณะหนึ่งซึ่งมันจะก้าวไปสู่อีกอารมณ์หนึ่ง แค่ในยิ้มเสียงเราพูดปาบเข้ามาในยิ้มเสียงแล้วแว่วแว่วเข้ามเราอยากไปฟังเสียงนั้นขนาะที่มันออกจากความสงบเนี่ยจะไปฟังเสียงที่มันแว่วเข้ามาในหูนะอันนั้นเรียกว่าสนที่ขณะขณะเนี่ยขณะให้ไปเกิดนิดเดียวดอกแต่มันเป็นเหตุให้เกิดได้ อาการที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์หราาือฉันเป็นอะไรต่างๆไม่มีตัวมีตัวขณะจิตอนนั้นล่ะที่ไปเกิดครั้งแรกแท้ๆทีเดียวครั้นี้เมื่อไปเกิดในครรภ์ไปเกิดในครรภ์ น, นั้นมันมีหลายอย่างอย่งเกิดเป็นศัสตร์บางพวกเกิดในไข่เช่นไข่ไก่บางพวกก็เกิดเป็นตัวคือเชิงัวเชิงปลาย ในสุนัขทุกกรณ์นี้เป็นต้นหรือเป็นคนหนึ่งเรียกว่าเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในคันนางพ่อนั้นเกิดพุทธขึ้นมาเลยคือเป็นตนเป็นตัวเข้ามาเลยท่านกล่าวถึงเรื่องพ่อเทพทั้งหลายเห็นว่าตายอย่างนี้เราไม่ต้องมีพ่อใหแม่ล่ะถ้าเกิดเป็นผีเป็นพูดธผีพีศารไปตกนรกแล้วเกเป็นเทวดาเทวดานั่นแหละท่านเรียกว่าอุปัฏิกา มันก็ไปเกิดในที่ศั ก, กปลกโสโครเรื่องการต่างๆในที่ศั ก, กปลกเรียกว่าสังเสีสิชาจิตตัวนี้แหละอันจิตที่มันก้าวไปเนี่ยเป็นตัวแรกที่จะไปเกิดมันก้าวตรงนั้น่ะถ้าหากผู้มีปัญญารู้เท่าเข้าใจท่นมีปัญญาเสียบแหลมฉลาดตัดไม่ให้จิตตัวนี้นก้าวกายไปคือเรารักษาจิตอยู่ทุกวันเนนี้ พัการทำความสงบไม่ให้มันคืบไปอยู่ด้วยความสงบทำความรู้เท่าอยู่เห็นโทษในเรื่องที่เราจะก้าวไปนะแล้วก็เห็นโทษในการที่เราอยู่ดิเห็นโทษทั้งหน้าทั้งหลังปล่อยวางนูงน่นนี่อันนี้เรียกว่าตัดกระแสจิตไม่ให้มันก้าวไปเกิดอันนี้ขณะจิตเตรียมไปเกิดขณะไปเกิดแล้วคันมันไปเกิดมันต้องไปเกิดในธาตุสี่ยาวไปเกิดในคัน ที่ว่านมันจะมีธาตุี่อยู่ในที่นั้นอธิบายครั้งแรกนั่นท่านอธิบายว่าเกิดจากกาะระซ้มภวะธาตุทั้งฝ่ายวิดาบรรดาผสมกันเรียวกาละระเห็นของเลวๆ ล, ละเอียดที่สุดปฏิสนธิจิตตอนนั้นน่ะที่มันไปเกาะ อ, อยู่ในที่นั้นไม่มีฝากดเลย ต่อจากนั้นมาพอดีมีปฏิสนธิวิญญาณไปยึดอยู่ตรงนั้นแล้วอัมคุท ธ, ธะคือมันแปลจากภาพอ น, น้ำที่เป็นของเหลวเหลวและของที่ละเอียดอ น, นั้นมาเป็นเหมือนกับน้ําล้างเลือดและถ้าต่อแปลจากม า, ม า, นนามาเป็นคณะมาเป็นกรดมาเป็นเปสิ คือมาเป็นปุ่มมาเป็นประ จ, จขาหาแหงอันนี้ว่าทั้งเรื่องปฏิสนธิจิตที่ว่าเกิดมันมาเอาข้าศึกมาเป็นตนเป็นตัวมาฟันเป็นลูกมาเป็นก้อนเป็นปุ่มขึ้น ม, มาเกิดจากอาวิชาศึกความมรู้จิตในขณะใดาถ้าหากว่าเรา รักษาคุ้มครองมาอยู่ยังเห็นดียังชอบนำอารมณ์ต่างๆอยู่แลก็เรียกว่าอาวิชชาเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นนี่แหละมันเกวต้องไปเป็นอย่างนั้นแหละตามตาราที่เขาพาในในสมัยเดียรนี้แหละเขาพากันจับตัวจิตนี้หลายอย่างมีสมัยหนึ่งครั้งหนึ่งเขาคิดอดยากจะจับจิตมันเป็นตัวยังไงเวลาคนจะตายเขาแก้วมาครอบหัวครอบศิตสระไว้ เมา่คนตายเนี่ยเขาบอกว่ามันมีนั่นมีสีเรืองเหลืองลอยไปเขาได้ถือว่าจิตของคนนะี่คือเป็นตัวเรืองเองพวกพลังมันอาจแยบเป็นแยบหรืออะไรหนึ่งซึ่งมันเว ล, ลาคนดับแล้วถ้าแยกเทียบว่ามันไม่สมบูรณ์เช่นว่าธาตุไฟมันดับมันเย็นแล้วมัน ขาดไปที่บรรดาวันมนันอาจจะลอยเอาไปแมันยังเหลือแต่ความเย็นเหลือแต่ฐานน้ำเพราะคนหลังเขาอยากเห็นตัวจิตก็เลยคิดเอาแก้วมาครอบไปให้เห็นงั้นก็ถือว่าเป็นจิตจ้ะ น, นานนเข้ากับเลยความเชื่อนั่นกับเลยหายไปเขาหาวิธีที่จะจัดจิตถ้าหาจิตมันอยู่ในแก้วแล้วมันไม่ต้องไปเกิดเ่า แ้วจะไปเกิดที่ไหนก็เอาเศแก้กวไปแล้วก็ไปเกดตรงนั้นเอาไปุกเขาในท้องเป็มท้องไก่ท้องงูท้องคนแล้วไปซุกไว้ในท้องคนมีคนรวยแล้วก็หมดเรื่องนั้นไปแทนถ้าจับจิตไดอย่างนั้นลองคิดดูสิแล้วนั่งอย่างงี้หละหากว่าเราจะเอาแก้วมาครอบมดัดทุกคนเนี่ยและเราจะออกไปได้ไหมจะออกไปดูกรุงเทพมน ไ, ไปเที่ยวเมืองก่อนอยังจังจะได้ไ เขบว่ามีอะไรครอบอยู่อันนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้าในทางพุทธศาสนาเท่านั้นจิตไม่มีตัวมันเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกไม่ใช่มันอยู่ที่บนทีสระและไม่ใช่มันอยู่ที่สมองพวกพลังเขาถืออยู่ที่สมองก็จะไปครอบที่หว แต่มันมีความรู้สึกอยู่ในทั่วไปทั่วทุกแห่งทุกหัวใจตัวความรู้สึกอันนั้นอ่ะตัวจิตคือควมรู้สึก น, นัประสาทที่มันให้เกิดความรู้สึกอันนั้นอันนั้นเพียงแค่ว่าสำนักงานเข้ามาจังหัดเช่นที่สมองเขาเรียกว่าประสาทมันรวมไปเลยที่นั่นเขาเรียกว่าสมองประสาทของให้เกิดความคิดความอ่านอะไรต่างๆ ไม่มีที่สิที่สุดไม่จบเหมือนกนารเรียนไม่จบเในท้าพุทธศาสนาท่านบอกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้รู้ไม่ตามไม่ไม่รู้ตามเป็นจริงจึิงเป็นเหตุให้เกิดเจ่เจ็บตายยังไม่รู้แดรตลอดที่สีด่ดังอธิบายวันนี้อันนี้อวิชชาตัวนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทั้งขานต่อไปทั้งขานที่นี้นั่นหมายความมาถึงว่าอาวิชชา เมื่อเรามีความรู้แล้วเมื่อไม่รู้แจ้งเห็นจริงดังอธิบายฟังมาแล้วมันจะต้องมาเกิดคือจะต้องเป็วัตถสุทธิตัววัตถิสนทธิเราเรียกว่าสังขารคือรูปสังขารคือว่าก่อเป็นตัวในตัวเขาเรียกว่ารูปสังขารฉันหมายสังขารตัวนั้นสังขารและปัญญายวิญ ญ, ญาณเมื่อเกิดสังขารแล้วกนตัววิญ ญ, ญาณตัวเก่านังหวะพูดซ้ำอีก วิญญาณตัวนั้นล่ะมันมีความรู้สึกและขาวนึ่งเมื่อตัวจิตเข้าตัววิชาต้นน่ะตัววิวิชาก็คือตัวทั้งกายคือตัวจิตตัววิญญาณตัวนี้หล่ะที่มันไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลงก็เลยเรียกว่าเทียงจะว่าวิญญาณแล้วคราวนี้ตัววิชานี่ยก็คือวิญญาณตัวนี้หล่ะมันไม่รู้เท่าเข้าใจตามยิงปัญญาไม่เกิดก็มันเรียกตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัววิชา ถ้าหากว่าเกิดความฉลาดเฉียบแหลมรู้แจ้งสินแล้วตัววิญญาในตัววิชาตัวนี้กลับในตัวอภิชานติกลับเป็นวิชาเช่นนั้นพิญญาตัวนี้น่ยยังไ่ทันรู้แจ้งพอมีสั้งขานก็มาคลองในสังขานคือก้อนนั้นแหละฉะนั้นว่าสั้งขานปยายัญญายัญญานั่งพิญญาในปัญญานามรู ป, ปังมันก็ถูกแล้วเนี่ยของเก่าเนี่ยมันมีทั้งรูปทั้งนามเล่นตรงมัน เมื่อวิญญาณนะขานมีแล้วก็มีทูลุของนามแล้วหน่งวิญญาณและปัญญานามรู ป, ปังอ่ะเป็นนามรูปแล้วเป็นนามเป็นลูกึ้นมาแล้วเป็นนามเป็นลูกแล้วก็เป็นอายุชนะแล้วานี้เมื่อเป็นไปเจขเขอขาแหยงอ่ะครอมูลวัตถุณนในเป็นตนเนตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะมีอายุนะท่นเองมเมี่ญญายุชนะอล้วก็มีพัตตากคือ ถ้ามีตาแล้วจะเห็นมีรูปมีหูแล้วก็มีจมูกมีมีเสียงกระทบของเขาถ้าเกิดพัฒนาแล้วก็เกิดยินยานไอ้เกิดเกิดเวทนาคือความสุขความทุกข์แล้วก็เกิดอุปทานตั้นหาเกิดตั้หา ก, ก็เ ท, ทียดสยามอธิบายกันเป็นต้นแล้วก็เกิดเวทนาจะได้จะ่าเป็นยาพัดโผพัดกาเปยาเวทนาเวทนาเปยาตั้นหา อธิบายมาแล้วปัญหาปียาฝาถนังเกิดอุปทานคือความยึดมัน่นถือมันเมื่อเกิดปทานนัเป็นภพถ้าจะพูด ก, กันแล้วมันเป็นภพมันจะไปะที่ส่นที่อย่างที่บารในเบื้องต้นมันเป็นภพขึ้นมาแล้วแต่นั้นท่านจะเป็นภพภายในเป็นภพตอนนี้ท่านหมายถึงภพอันตอนที่ เกิดเป็นตัวเป็นโตัวเวเลาจะออกคลอดออกมาอย่งางไรชาติชรามันน่โศกกระหาเสวทุกขโทมันน่าดูปายาสปลายง่ายไปเต็มแล้วมีแต่ทุกไปรุนร้อนในคทุกหลายเรื่องหลายอย่างนี่ว่าถึงเรื่องอวิชชามีหลักอยู่อีกกว่าท่านดแสดงว่ากา ร, รมาพิชังตัณหาที่ในหางอาวิชชาเคสังอธิบายข้อหลังนั้นเีง อวิชาเปรียบเหมือนกันนาตั้นหาไอ้กรรมเปรียบเหมือนกับว่าพืชผลไม้ที่เราจะเไ็บลูกในนาตั้นหาเปรียบเหมือนกัอย่างคือน้ํามันของเพชรเม็ดผลนั้นๆเช่นเราปลูกถั่วดินปลูกถั่วที่สงเนี่ยในถั่วที่สงมันตั้งในเม็ดถั่วที่สงในเม็ดถั่วดีสงนะท่านอุปมาเปรียบมันก็กรรม กรรมคือสิ่งที่เรากระทำทำดีทำชั่วเรียกว่ากรรมทั้งนั้นเม็ดถั่วที่สงให้มาทันแห้งเรียกว่ายังมีอย่างอันนี้น ม, มันสอนใมดเม็ดถั่วที่สงที่มาแห้งน่ะยังเป็นอย่างนั่นแหะท่านนี้จะไปปลูกในนาปลูกในที่ได้เกิดขึชิมดถ้าฝนฝ้าฝนตกมามันชุ่มเย็ยนกน็งอกขึ้นมาเลยจึงว่ากรรมเป็นเหมือนกันกับพืช ผลตั้นหาเปรียบเหมือนกับยื่ออวิชชาเปรียบเหมือนกับที่ดินที่เราจะต้องปลูกที่เราจะต้องปลุกลุกอวิชชาที่อธิบายแบบนี้นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นภูมิของตนภพชาติทางสวงวัตที่จะให้เกิดขึ้นมากา ร, รทางสวงวัตที่เราทําดีทั้งชั่วผลทั้งหมดนั้นอันนี้แหละทียจะมที่จะมาเกิดอวิชชา หมายพราะว่าทำดีนยังมาถึงที่สุดก็ยังต้องอยากได้ดีอยู่อยากได้สุขได้ทุกอยู่เมื่ออยากได้สุขก็ต้องอยากได้ทุกข์ไม่เป็นธรรมดาคือกรรมทั้ง ท, ทั้สองอย่างนี้มันจะเป็นคู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีดีก็ต้องมีชั่วถ้าทำทั้งสองอย่างอยู่ตราบใดนี้ยังไม่พ้นทุกข์เหตุนั้นการทําดีทั้งส่วนจึงเรียวกว่ายังเป็นตัวพืชผลยังเป็นตัวเม็ดอยู่ยังเป็นเม็ดเม็ดเมื่อมีเม็ดมันก็ต้องมีอย่างเนี่ยนะ เห็นนั้นตัววิชาตัวนี้น่ะจึงพยายามที่จะทำลายด้วยพิธีต่างๆดังอธิบายมาถึงน้ำชาส่น้ำแไลลมเลือดตลอดถึงหอดคันหายสณะก็เพื่อทำลายตัววิชาตัวนี้เพื่อเข้าใจถึืองวิชาตัวนี้พืชผลนั่นกรรมที่เราทำนั่นน่ะมันมีครบหมดไหนนั้นก็มีมีพืชมีผลนะเช่นว่าเม็ดทดิน เราเห็นเม็ดทวดินนั้นเราจะเข้าใจว่าไม่มีดอกก็ไม่ไไม่มีเถามันก็ไม่ได้ไม่มีใบไม่มียอดไม่ได้ในเมดทวดินเม็ดนั้นเอานั้นมันยังระบาดอยู่อ่ะมาเทียบทั้งเม็ดถนุนแล้วก็แล้วกันเม็ดขนนเม็ดมะม่วงนั้นเราจะเข้าใจว่าไม่มีต้นไม่ลำไมได้ไม่มีดอกมีผลไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่าเม็ดขนุนต้นนั้น่ะ เราไปเห็นเขาแล้วว่าไม่มีต้นไม่บะไม่มีต้นไม่ดอกไม่มีกิ่งไม่น้าไม่ขนนั้นเรียกว่ายังเป็นอวิชชาอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าเม็ดขนนเม็ดนี้แหละมีทั้งต้นมีทั้งลำมีทั้งใบทั้งดอกทั้งขนบหมดอยู่ในทีนี้ด้วยเหตุที่เรามาแยกแยะออกเลยอาการต่างๆ อย่างอธิบายมานเน่ยเห้นท่าทีน้ำไปลงโดยเป็นต้นอะ่ะอันนี้เรียกเราเรามาแยกแยกออกให้เห็นต้นลำและดอกผลในตนนั้นถ้าเราเห็นว่าไม่มีละเอาเถอะเผลอไม่ได้แล้วไปตกลงในพื้นดินแล้วไปถูกชุ่มเขาเมื่อไหร่ละเดี๋ยวมันจะแตกเป็นรากหรือไม้ปลากฏเลยพอรากปรากฏดท่านั้นน่ะ นี่หละต้นเหตุที่จะให้เกิดอจิตชาอันที่จะเกิดทั้งฐานวิญญาณอุปทานทั้ง่างเกิดไปจากเนี่ยแยกออกมาเป็นรากใช่ก่อนต่อนล้วก็กลายมาเป็นใบทั้็เป็นลำเป็นต้นเป็นลาต่อ้ก็เลยเป็นกิ่งเป็นหน้ขึ้นมาตลอดถึง่าเป็นรูปเป็นผลดกมากกว่าเก่าเม็ดเดียวแล้วได้หลายผลกว่าเก่ามากกว่าเก่า มีเรื่องทำลายวิชาก็คือว่ามาแยกแยะเพราะฉะนั้นแหละตัววิชาตัวนี้ถ้าหากมารู้เท่าเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องระเทอเรื่องเป็นเรื่องทำลายเม็ดขนุนเม็ดนั้นทำไมมันเกิดต่อไปอีกจึงอธิบาย้ำจำตักวกเวียนไปมาหลายเรื่องหลายอย่างเพื่อใเข้าใจถึงเรื่องเหล่านี้อีกไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกล อันนี้ตัววิชาแล้วถ้าหามาเข้าใจอย่างนี้แล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสัจธรรมความ เ, เกิดตั้งใจวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดทั้งขานเกิดยิน ญ, ญาณ เ, เกิดนามรูปมันเป็นเรื่องตัวสมุ ท, ทัยคือ เ, เป็นเหตุให้เกิด มีเป็นเหตุได้เกิดทุกข์นูะ่ะตัวชุมุไทยเกิดแล้วต่อไปตั้งแต่พบชาติคลามนราณาสกาวไปเทวทุกคุณนตัวทุกข์มาอยู่ตรงนี้จากนี้ปัญหาพบชาตินี่ยังเป็นตัวชุมูไทยพอไปถึงพบชาติชลาบนราณโาสกาวไปเทวทุกคนนะเป็นตัวทุกข์โดยแท้ ถ้าหากไม่เห็นทัดคือแยกแยะออกอธิบายดังอธิบายมาในบางต้นแล้วเนี่ยว่าเกิดยิจชาขึ้นมามันก็ไม่ต่อคือว่าทั้งขานยืนยันนามโลกเลวายะทธะไม่มีหมดไปมันเป็นนิโรธมันเป็นเรื่องดับาการดับเมื่อดับนั้นมันก็ไม่มีอะไร มีความดับกับมีความรู้เป็นคู่กันถ้ารู้แล้วมันก็นดับถ้าไม่รู้แล้วก็เป็นตัวส ม, มุทยัยนันคือคู่กันอย่างนี้มาจะพูดอะไรกันมากมายทั้งเรื่องอเรียกสัทธธรรมสี่คือทุกตัส ม, มุทัยโลดมัดคราวนี้ถ้าหาไปรู้แล้วไปรู้คือปัญญาสมาธิเป็นตัวมัดแล้วก็ดับเรียกว่า น, นี้โลดมัดกับนี้โรดเป็นคู่ เมื่อไม่รู้ก็เลยเป็นเมื่อไม่รู้ก็เป็นอวิชชาอาวิชชาเลยเป็นสมุทัยเพราะฉะนั้นถึงว่าการอาธิบายธรรมะนั้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งกว้างกวาม ง, งมากหากเราไม่ตั้งใจคิดตรึกตรองจริงหรือว่าจับเนื้อความนี้ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเรื่งยุคถึงยังไงอย่างไรก็ขอให้ตั้งจิต ให้มันอยู่ในเรื่องความสงบพบลมเนี่ยให้จิตงอกแงกวอกแวกไปมาส่งหน้าส่งหลังเราตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วที่อธิบายไปทั้งหมดก็ไม่ผิดจากหลักนี้โดยเฉพาะสรุปรวมใจควมแล้วก็คือว่าถ้าหากเห็นอันใดเป็นเครื่องรักไม่สะสมอันนั้นเป็นทิทางที่ถูกต้อง บางคนนั่เรียนรู้มากแต่ปฏิบัติไม่ได้หรือว่าไม่ไม่รู้แต่ว่าปฏิบัติได้มันกล้มกล้มันก็ไม้มันกล้ม้มันกล้ม้มันกล้ม้มันก็ไม้มันกล้ม้มันกล้ม้มันกล้ม้มันกล้ม้มันกล้ม้มันกล้ม้มันก็ไม้มันกล้ม้มันกล้ม้มันกลไม้มันก้ อาจจะเห็นผลประกฏเป็นฟากมาถธรรมเป็นรมอประมาท